Thank uh you. -huh. เปิดรบถชมกันฟังอย่าให้หมดอย่าให้เสื่อมนี่การบอกเล่าต่อรอกันไปถ้าไม่มีผู้พูดไม่มีผู้ฟังมันก็หมดอาศัยรูปแบบในสถานที่มีทำมีบุคคลอาหารการกินเรียกว่าสัพพะยะพออยู่กันได้เพื่อทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาท ไม่มีอะไรที่จะบริการเหมือนกับโลกโลกมีแต่ความเมตตากรุณาปาฏาดีต่อกันร่อนเหลือไม่รู้จักปลดจากเหงือดแห้งอยู่ในชีวิตที่ใจของพวกเราจะคิดสิ่งใดก็ประกอบไปด้วยเมตตาจะทำสิ่งใดก็ประกอบไปด้วยเมตตาจะพูดสิ่งใดก็ประกอบไปด้วยเมตตาตั้งต่อหน้าและรับหลัง ของสัพพสิงทั้งหลายจึงมีแต่การแต่งานที่ต้องแสดงออกแล้วก็มีโ อ, อกาสได้แสดงออกเพราะเราเป็นสัตว์สังคมมีมือห้านิ้วสิบนิ้วก็เพื่อจะช่วยกันและกันมีปากก็เพื่อที่จะบอกปิดบอกถูกต่อกันมีกิจการต่างๆที่เราจะแสดงช่วยกันให้ความหนักกลายเป็นความเบา ขอเป็นเพื่อนคนที่หลงจะไม่พาหลงขอเป็นเพื่อนคนทุกข์ขอจะไม่เป็นทุกข์จะเป็นเพื่อนคนที่โกรธจะไม่โกรธเราเป็นเพื่อนกันในรูปแบบนี้เป็นจุดโอนใหม่ชีวิตของคนหลงถ้าปล่อยกันหลงถ้าปล่อยกันทุกข์ถ้าปล่อยกันตกโศกเศร้าเสียใจมันก็เป็นอันตรายต่อส่วนวรวมต่อจางมาหาวิธีที่จะช่วยกันให้จนได้ อย่าปล่อยไปแล้วเลยพระเทพเจ้าก็ถามหาแต่ผู้ปฏิบัติประพฤติอย่างนี้พรเทพเจ้าถามหาว่าใครที่ทําแต่ประโยชน์ตนเราก็ไม่ถามหาใครทําแต่ประโยชน์แต่คนอื่นไม่ทําประโยชน์ตนเราตาขาวโก็ไม่ถามหาส่วนผู้ใดทําประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์จัโลก พอโยตโตพระศาสนาอันนั่นเราถามหามีใครอยู่ที่ไหนบ้างสารีบุตรอยู่เมืองโ น, น้มนมุกขลาอยู่เมืองนี้อนุทะอยู่โ น, น้นมหาคัสสะอยู่โ น, น้นแม่ไปอยู่ด้วยกันพระพุทธองค์ก็ยังูกพันกันอยู่ว่าอุ่นใจสารีบทอยู่ที่ใดทางใดจง ช, ชนที่อยู่ทางนั่นก็มั่นคงถาวร ก็เป็นเค่วงประุ่นใจต่อกันแล้วกันแล้วนี่ก็เป็นมนุษย์ร่วมสังคมเกิดเจ็บเจบตาอยู่ที่ไหนก็ทำให้กันอุ่นใจคงจะช่วยกันต้องช่วยกันในทางการทําหน้าที่สร้างความเมตตาก็นาให้เกิดขึ้นจะให้เหินแท้งไม่นั่งใจเป็นโพธิสัตว์จะเป็นโจรเหมือนผู้ร้ายต้งสัเรเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายไปเราผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือ แล้วก็ทำลงไปในสิ่งต่างๆให้มีความเมตตาสงสารกันให้มากๆโลกนี้จะอยู่รอดก็าขาดความเมตตากุณาก็เปิดฐายนตได้เราจึงมีฐานมีมาตรฐานมีแบบฉบับของมนุษย์ให้ได้อย่าเป็นสัตดอย่าน้อยมนุษย์เราต้องมีเมตตากุณารู้จักพุทธนาวัฒน์ให้ดีขึ้นเปลี่ยนความร้ายเป็นความดี เราก็มีหน้าที่อย่างนี้กับเราโดยไม่ขาดแคลนอะไรที่มันมาทางไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้การพูดการจาความคิดจริย น, นิสัยเราก็เปลี่ยนได้ประตื่นร่นในการช่วยตัวเองประตื่นร่นในการช่วยคนอื่นพอที่แสดงออกได้ตามฐานะของเราเราก็แค่นี้นะมีอาชีพฐานะต่างๆกันไปแล้วก็มีความสำเร็จ ในฐานะอาชีพของเราตามฐานะที่เราได้ศึกษาเราเรียนภาคเปลียนปฏิบั ต, ติอาชีพของส่วนรวมเนี่ยใครจะลูกอะไรมาใครจะเจีงทางไหนมาก็มาช่วยกันทาอาชีพ น, นี้บอกสิกขาและทำเครียงเรี่ยงชีวิตเป็นอาชีพส่วนรวมง่าแล้วไม่มีลูกก็คิดอยากเลี้ยงลูกช่วยเขาเมื่อเขาทำงานก็อยากจะคิดช่วยเขา ทำงานยังไงจึงจะมีความสุขขมมีสามีปัญญาก็คิดอยากจะให้เขามีความสงบร่มเย็นพอมีการงานทําก็อยากให้เขาสนุกไปกับางานทํามีเพื่อนมิตรก็อยากให้เขามีความสุขกับเพื่อนกับมิตรอยู่ที่ไหนก็ให้เขามีความสงบร่มเย็นไปกับงานงานของเขาแม้แต่บางสิ่งก็ทําหน้าที่นี่เช่นหมูหมาหมาเนี่ยมันยังช่วยคนดูแลว่านเหลือน เราสาความรอดปลอดภัยแม่แต่นกก็ยังช่วยเราเก็บหนอนปลูกพกลิกกลกต้นไม้บางทีเราไปเจ็บปักขิเหล็กมาแจงนกต้อยนกก็เจ็บมันเจ็บนอนออกให้เราก่อนปล่อยให้มันเจ็บโดยที่แต่ก่อนเคยอาศัยนกเก็บหนอนเวลามีงานมีกันหาเจ็บปักขิเหล็กมาแจงในงานช่วยกันสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวหาเจ็บปักขิเหล็ก ว่าเขาไม่มีค่าสัดแต่ชีวิตนบนวลล่ำโบราณแกงผักขีเหล็กแกงบอนเรื่องกันงานกระถิง่งานประจําปีไปไม่ค่าวัวค่าควายเหมือนทุกวันนี้่็พากัานไปหาเจ็บเหตุตามบ้านตามถนนทางถ้าเห็นนกมันเจ็บน้อนเยอะก็ดูก่อนหยุด้วยก่อนให้นกมันเจ็บน้อนนูก่อนแล้วค่อยเจ็บตามหลังถ้าจุนใดไม่มีนกเก็บก็ไปเก็บ แล้วก็มาเจ็บหนอนดอกทหนึงนน่งนกบางตัวก็ช่วยเราเก็บตัวหนอนยังเป็นหนี้นกในหัวใจยังเป็นหนี้หมาในหัวใจหมาบางตัวนี่ยังทําให้เราคิดถึงควายบางตัวทําให้เราคิดถึงวัวบางตัวทําให้เราคิดถึงสู้ทุกสู้ยากพอเราก่อสร้างฐานะของเราให้พ้นจากความทุกข์ความยากมาเพราะควายเขากัวลากเาล่ล่าเกล่ยน แม้แต่พี่น้องเกิดร่วมท้องเดียวกันก็ยังคิดอที่จะแงงหัวใจเราความทุกข์ความยากลําบากเแม่เลี้ยงเรามาแล้วก็ยังทําอะไรก็ยังไม่ถึงใจที่ต่อ บ, บนกันคุณว่าแม่พี่น้องหัวขวายเลือกสวนหนะที่ทําอยู่ทำจรินโมมิดเพื่อนบ้านยามทุกเหดือมยากยังช่วยเรามีเตความเป็นที่บุญคุณเชิงกันแลักกัน แผ่นดินนี่ก็เป็นเราก็เป็นหนี้แผ่นดินนี่อากาศเราก็เป็นหนีผู้คนทั้งหลายร้อยคนที่คิดช่วยเราอยู่ถ้าไม่มีใครคิดช่วยเราเราก็เดือดร้อนจริงๆนี่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีวิเศษอาจะพูดหรอกมีแต่คนช่วยเราแล้วก็พ่อมแม่ช่วยเรามาเนี่ยพระพูทเจ้าช่วยเราครูบาอาจารย์เขช่วยเรา เพื่อนมิตรทังหายทั้งหลายก็ช่วยเราเราอยู่รอดเพราคนช่วยแต่แ ท, ท้ชีวิตเนี่ยไอ้ดื่นช่วยเราแต่แท้ถ้าจะพูดล้าหน้าสงสารหน้าสงสารคนเราไม่ควรจะเ บ, บียดเบียนกันเป็นจัดที่หน้าสงสารมากเรื่องลูกด้วยนมแล้วก็เติมมาด้วยดูดเลือดของพ่อของแม่กินเป็นเนื้อของเราเราจะไปทําชั่วยได้ไง เราต้องตอบแทนบนคุณพ่อแม่ของเราตลอดชีวิตทุกปวมหายใจจึงจะมีค่าสมกับพ่อแม่เลี้ยงลูกมามีวัดวารามิศาสนามีสิณมีธรรมใาอยู่ร่วมกันสงบร่มเย็นมีแผ่นดินอยู่มีไปไหนมีจถนนทางเป็นนี่บุพภการีบุคคลนกาจะเจ้าคนเกิดส ม, มัยหลังสอง0ันสี่ร้อย ประมาณห้าหกสิบปีเนี่ยจะเห็นบุญคุณของโลกที่จุดเลถ้าทุกวันนี้เขาเกิดมาสมัยนี้เขาไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโดยังคิดถึงนี่บุญคุณของโลกสมัยก่อนๆทุกวันนี้เขาเกิดมาเขาเจอความสะดวกสบายพราะง่ายทุกวันนี้เลี้ยงลูกให้เป็นจักรวรรดิตั้งแต่ตัวเด็กๆเขาไม่มีความยากลําบากเหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยโอย้ยากลําบากใช่แล้วก็เห็นนี่บุญคุณ มีค่าเสื้อผ้าก็ตาปะสวงใส่อาหารเล็กน้อยก็สนุสนอมความยากความบากถ้าไม่เราสํานึกถึงบุญถึงบาปบางคนไม่เคยยากลํา บ, บากก็จะไม่เห็นความทุกข์ยากลํา บ, บากของคนอื่นเช่นเราไม่เคยเหิวเข้าเราจะไม่เห็นคนอื่นเขาเหิวเราไม่เคยทุกข์จะไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นถ้าเราเคยทุกข์เคยหิวเคยยากลํา บ, บากจะเห็นความยากความบากของคนในหัวใจอยากใจไปช่วย เห็นคนล้มโดนตายเนียอ๊ยจากจะไปช่วยอยากจะกชิดเตือนจากจะไปรูปบ้าของเขาอยากจะกไปยกมือมายกตัวของมาวางตักของเราอาหัใจเนี่ยมันต้องไม่คิดอิจฉาเพียดบกันมันก็มีความสุขนะนอนอยู่ยไปจกสุขตื่นก็เป็นสุขถ้าเราไอิจฉาเพียดเพียงกันเนี่ยม้นก็หวังกับเดือดร้อนเศร้าหมอง มั่นเองทำแท้ๆที่เราอยู่กันได้ทำเป็นเครื่องคับจุนโลกก็ขาดฉันศินธรรมเราเกิดพินาศเหมือนอาจารย์พุทธว่าทำไม่กลับมาโลกาพินาศศิลธรรมไม่กลับมาโลกาพินาศพวกเรายังที่เป็นนักบวชขอใช้ชีวิตส่วนนี้ให้คนเดินเขาทำมหาชินไปเรี่ยงดูดังเต้ามันก็มีสำเร็จอาชีพแต่เราไม่มีอาชีพแบบนั้น ถ้าไม่มีความสำนึกแบบไม่จะเป็นชีวิตที่พักที่สุดชีวิตของนักบวชนะชีวิตที่หิวเป็นบราเชตูปะคีวีเป็นเป็ดชนิดหนึ่งถ้าไม่มีธรรมประจําใจเราเอเราจะมาเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเดี๋ยวบ้านก็เป็นนักวบวชเว้นความชั่วทําความดีบวชประวัชะาใลว่าไปไะจากความชั่วไปสู่ความดีความดีที่ได้ไม่หมดไปสิน้นมีแต่งานแต่การ ที่จะไปต้องทำถ้าเราปรับต้องนี่ไม่เป็นตั้งต้นชีวิตอย่างนี่ไม่เป็นมันก็อาภัพใตชีวิตที่เกิดมาไม่มีความอิ่มใจมีแต่ความเหงาแท้งหิวกรหายไม่รู้จักยิ่มไม่รู้จักเบื่อทั้งทั้งที่เราก็เห็นอยู่แล้วย่อมเราเที่งในสิ่งทั้งปวงไ ม, ม่ใคยป้องกันไม่เคยเป็นใหญ่ไม่รู้จักอิม่มถ้าเรามาดูจริงๆเราโอ้ทำเนี่ย เป็นรสชาติที่ดีที่สุดเลยอาเสียรถนี่เลี้ยงชีวิตไว้เสีรถเข้าป่าอาหารอย่างเดียวรถอยู่กับโลกอันรถของโลกมันไม่รู้จักเย็นหรอกรสพระธรรมเนี่ยมันอิ่มถ้าพระรถสังธรรมละโสกินาติรถพระธรรมย่มอมจะรถทั้งปวงสับละโสธรรมสังคินาติเสียงพระธรมม ร, ะธรมย่อมฉันเสียงทั้งปวงเสียงศีลเสียงธรรม กลิ่นศีลกินธรรมมันหอมเ่าไม่ต้องไปหาอันหอมไปนะหอมหอมจากคนอื่นบ้างคนนั่นมีศีลมีธรรมหอมทวนลมไปคนนั่นเป็นคนดีคนนี่เป็นคนดีแล้วให้เราได้ก็เตื่นอนรล่นนะเอาอย่าอย่างน้อยก็หอมพระพุทธเจ้าหอมพระธรรมหอมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจของเรา เป็นสวรค์เป็นนพานอยู่ในหัวใจของเรากถิ่นอัยของพระพุทธเจ้าของศีลของธรรมยิ่งเราไปดูประเทศอินเดียนะยิ่งสัมผัสกับรูกองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเ ด, ดินอยู่พุทธขยะใก้ต้นเีมหาโพเหมือนกิดอยู่กับพระพุทธเจ้าเห็นรอยพระบาทต้องกรมพระพุทธเจ้าเราก็เดินอยู่ใก <c oughs> ล้ใกล้มันรู้จักว่าโอ้อยากชวนพระกรมไปก็เห็นลองลอยอ่ะ ได้ไอได้กินได้สัมผัสลอยมือของพระอรหันต์สมัยก่อนนะภาษาเราภาษาอะไรเรามานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็ไม่ทำเลยตายเกแต่เมื่อเราได้แสดงได้แสดงออกดูลอยมือของเรารอยเท้าของเรารอยจิตใจของเราอยู่ที่ไหนโพมีรอยบ้างไหมเกิดมาเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ย หรืมีแต่อยความชั่วความร้ายมันก็เสียบแทงเจ็บปวดถ้าลอยเห็นความดีที่เราได้แสดงออกนะ่ะจะไปทำ น, นิ้ถนอมแรงของเราได้ไงความดีได้ไงแสดงออกให้คนใ้โลกเนี่ยให้มีเหลี่ยมว่าตัอย่างน้อยเราก็ไม่โกรธอย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์อย่างน้อยเราก็ไม่หลงไม่เบียดเบยนตนเองไม่บีบดเบียนคนอื่นปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เบียดเวนตนไม่บียดเบยนคนอื่น ไม่ทำตนให้ดดร้อนไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนไม่ทำสิ่งอื่นวัตถุนให้เสียหายสนุนสนองไม่จะมีความสุขไม่ใช่ความสุขตัวว่าตายไปแล้ววินาทีนี้ก็มีความสุขหรือไม่หลงไหลมงมื่อเมาเพื่อผลอะไรต่างๆปฏิบัติทำอยูน่นี้แล้วความชั่วยอยูน่นี้ทำความดีอยู่นี้เสิมดีไม่จนมีทางที่ทำตลอดเวลามีนั่งใจเป็นโพธิสัตว์ มีน้ำใจเป็นวัดธนระมีน้ำใจเป็นนักอนุรักษ์อนุรักษ์ลักอะไรลักผอมจันทนอมผอมจันท์ไม่ให้เปิดเพื่อนลักงวนสงวนตัวมาถึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญารอบโูกเปิดเพื่อนแล้มันก็รวยผอมจันทน์ชีวิตที่รวยไม่ใช่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความรวยรวยผอมจันทน์รวยความบริสุทธิ์รวยความ ไม่มีไม่เปลี่ยนอหละเป็นความรวยเพียงพอควรจะงามงามน้ำใจไม่ใช่ไปหน้ามูลานท่านว่าควรจะสวยสวยจัญญาไม่ใช่ตาหวานควจะแก่แก่ความรู้ไม่ใช่อยู่นานควรจะรวยรวยพรหมจรร์สินฐานความรวยรวยแบบนี้แบ่งปันกันไม่รู้จากบัดจากสิ้นมีแต่แจกของส่องตะเกียง สองตะเกียงในที่มืดบอกคนหลงทางให้รู้ทางหน้าที่ของพวกเราวศกคนตั้งอยู่ที่นูน้นวจิกาคนนั่นอยู่ที่นูน้นหลวงพ่อหลวงปู่อาจารย์อยู่ที่น้นสังกนตอแกแจกของสอนตะเกียงบอกคนหลงทางให้รู้จักทิศทางมันก็เป็นงานของพวกเราแล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์บ้าง อัตเขียวอัประโยชน์สัมปายิทธประโยชน์ประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพห น, น, น, น้าประโยชน์ในภพหน้า <S <S วันนี้มันต้องเป็นวันนี้วันจึงจะมีพรุ่ง น, นี้วันนี้มันจึงมีเมื่อวานนี้แต่วันนี้สําคัญเราทำไม่ยุเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำไมอยู่อาการการวาใจอย่างอื่นที่เราต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ ผู้รู้เคยควรแล้วติเตือนเราโดยฉินได้หรือไม่เราติเตือนตัวเราโดยฉินได้หรือไม่เรายินดีในที่สงบหรือไม่มีทัศนรุตจลิยะเห็นความสงบในชีวิตเราหรือไม่หรือเห็นแต่ความมุ่นหมายปฏิปทานุตจลิยะไปเต้าไปตามความสงบบ้างไหมหรือชอบฟุ้งซ่านพ้นจากความ เราเพิ่มได้บ้างไหมเรียว่าวิบุตตนตริยะเพราะมันเห็นความใบสงบเกิดความสงบความร่วงซ่านเกิดความปกติมันก็มีอยู่ในเราสนุกสอนเราสนุกไงถ้าสนุกอะไรก็ไปเท่าสนุกสอนตัวเรามันแม่นย่ํามันชัดเจนสมน้ําหน้าความหลงสมน้ำหน้าความทุกข์สมน้ำหน้าความโกรธมันไม่มีประโยชน์จริงๆความหลงความทุกข์ก็ไม่มีประโยชน์จริงๆ วิงโกฎดก็ไม่มีประโยชน์จริงๆนะถ้าเราเอาชนะตรงใดๆประเสริฐประเสริฐสุดถ้าเช่นี้เอาชนะไม่ได้ขี้เลยมาก่าชีวิตเราแทนที่ยิ่งใหญ่มาแต่เท่านี้เอาชนะไม่ได้เราก็ต้องมองตนทวนตนก็ไขตนเดงกเออเรามาสร้างแบบฉบับช่วยกันญาติโยมก็สำคัญพระสงฆ์ก็สำคัญ เป็นแบบอย่างให้มันไปติดอยู่ในจิตของกันและกันโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมนะแล้วว่าอ่านความในใจของกลุ่มที่มาปฏิบัติที่เขาแสดงออกมันก็มีประโยชน์เขาแสดงเอาความในใจของเขาแล้วก็ต้องทําให้หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าปล่อยกันทิ้งปล่อยปะละเลยถ้ามีกรรมฐานกรรมฐานแม่ไก่เนี่ยสําคัญที่สุดกกไข่สีไฟ ตีเล็กมันต้องทําพอสมควรปฏิบัติอันเลิศอันทรมันเลิศปฏิบัติอย่างเร็วเป็นไปไม่ได้เลยรำมประหังปฏิบัติอย่างเลิศต่อรูดทำมาเลิศเป็นของเป็นไปได้เป็นประโยช น, น, น์ผู้ต้้งตัวเองและคนอื่นผู้ให้เยวันมินทบาทเจ้าอาสนะชีนาปรจัดเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายปัิบัติมนเร็ว ไ, ได้ผลเลิศเป็นไปไม่ได้ตีเหล็ก ต้องเอาให้อ่อนนวดได้จากคนฟรันมาเป็นบัณฑิตเพราะมันทําให้ร้อนจากไม่เฉาจิตเิเปิดทำงานจิตเติเพราะทําให้คลอดออกมาไก่ไข่เป็นไข่พอกกไข่แล้วก็คลอดออกมาเป็นลูกเขี้ยบหน่อโพธิเยื่อหัวยใจของมนุษย์วันถ้าเราทําถูกแล้วก็ออกมาเป็นโพธิจัตเป็นอินเป็นพรมเป็นพระได้คนเราเนี่ยมองกัน เหมือนที่เบทร์เขาสอนกันว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนแสีงพระส่วนมนต์เขาในทาสังเสริญก็เหมือนเสียงพระสวดมนดูคนทุกค น, เ ป, น, เ, กคน เ, เป็นพระพุทธเจ้าทุกคนเนีเป็นพระพุทธเจ้าเวลานี้เขายังไม่เป็นเวลาข้างหน้าเขาเป็นได้มันต้องมีหน่อโพธิอยู่ที่ไหนให้มีนิพพานอยู่ที่นั่นเอามัินปานนั่นล่ละมองชีวิตของคนให้ทะลุตะลวงเอาเนื้ออย่ามองถึงเสื้อนเป็นหนาม มองทางเนือเขาที่จะมองอย่างนี้มีอะไรละ่ะมีเมตตากรุณาออกท่าของโพธิสัตว์เอาความเมตตาก็นณาออกท่าอย่าเหงาแท้งอย่ามองแบบประตูขั้วเลยมองแบบโพธิสัตว์เห็นไหมโพธิสัตว์เสียงเสียงตายแต่ว่าถ้าไม่เสียงไม่ก็เป็นโพธิสัตว์ไม่ไงอย่างกวง สังขะปวงโพธิสัตว์อยู่ป่าอิสิปตนะมะลึกขยะวัดนะพระเจ้าประมาทชอบกินเนื้อสัตว์ไปต้อนกวงมาว้ในป่าอิสิให้ไพ ฟ, ฟ้าประชาชนเวลาพ่อองค์จะสวยอาหารต้องเลยพ่อลัวไปฆ่าสวมงทุกวันกวางก็เวลาพ่อลัวไปฆ่าก็กลัวใจวว่งงอนอยู่ในอิสิปตนะ แล้วพาหลวงพ้ากรัไปดูยังมีนะพี่บอกนี่กนวงพ่อที่จัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นควงทั้งหลายเดือดร้อนบางทีแม่กวงกําลังให้ลูกกินนมอยู่พพ่อกลัวไปก็วิ่งพาลูกวิ่งหนีเสียงตายใครก็ไม่อยากตายพ่อครัวก็จำเป็นต้องยิงมาละตัวละตัวบางทีกวงน้อยควงแก่ก็วิ่งไม่ค่อยไหว ลมลุกคุกขัดกวงบริษจัทเออทาไงดีเนาะต้องประชวงกวางเอาอย่างนี้ดีไหมพวกเราเพื่อว่าไม่ทำให้เดือดร้อนให้เป็นวันละของไข่ของมันจับฉลาดวันนี้จะเป็นตัวไหนให้ไปยืนที่ป่วตูฝ่ายสิให้พ่อกัวมาญิงมาค่าก็ตกลงกันเพื่อให้กวงแก่กวงน้อยกวงแม่รกอ่อนกวงแม่ตั้งคันไม่ต้องเวกเดือดร้อนล้มลุกคุกขัดจะได้อยู่ รอคิวให้เขามาค่าจึงไม่ต้องเดือดร้อนพวกเราตกลงกันวันหนึ่งถูกกวางแม่มารตั้งท้องค่อยจะออกถูกคิวเขา้ากวางแม่ตั้งท้องตัวนั้นก็โอ้น่าจะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งส อ, งอาทิตย์พอให้ลูกน้อยออกมาก่อนไม่ตายแต่เพราะตัวเองก็ไม่เป็นไ ร, รแต่ลูกใดคันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ก็คิดไปขอเปลี่ยนกวงตัวอื่นให้ไปเข้าคิวแทนจะขอเปลี่ยนกวงตัวไหนเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาก็ไม่อยากตายไม่ให้ชีวิตนาทีสองนาทีเขาก็อยากอยู่งั้นเราป่วยเราเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจไม่ออกก็อยากหายใจอยู่หายเพลียใหญ่ก็พยายามหายใจอยู่ไม่อยากตายเพราที่สุดแม่กวางแม่ตั้งขันแจกก็ไปปรึกษาใครก็ไม่ได้พอดีมาพูดกับกวงบริษัท มาปรึกษากวงควายจัดกรงควายจัดก็เลยเอยเอถ้างั้นเราจะไปเปลี่ยนเราจะไปเปลี่ยนไปตายแทนนะกรงควายจัดก็ก็ยืนหน้าประตูหัวประตูอิสิปัตนะทุกวันนี้ยมีนะกวงเต็มไปหมดเลยพอดีได้เฝ้ากรงมาก็กวงควายจัดเน่ยยืนจงงางไม่วไหวานเลยไมเหมือนกวงตัวอื่น กวงตัวอื่นที่มาเข้าเชียว์ให้ข้าล้องตั้งร่มตั้งยืนทั้งล้องไห้ทั้งล้องเสียงอะไรไม่อยากถูกฆ่าตายแต่ควงโพชั่นยืนนิ่งสง่างามพ่อกรัวเลยเอา้าอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนเห็นแต่กวงทั้งหลายดิ้นหล่นล้องโงล้องไห้แต่กวงตัวนี้ทำไมยืนลอเฮ้ยไม่กล้าไม่กล้ายิางก็เลย ทราบเรื่องว่า<ม>นี่<ม>คือกวงโพธิสัตว์มาอาสามาแถนกวงแม่มานตั้งท้องแก่พ่อครัวเลยคิดได้โอ้ตั้งแต่กวงางแต่สัตว์เขายังค่อยกันนะยังเมตตากระดาษเราเนี่ยมาข้าวจัดเลยดําเรื่องนี้ไปบอกว่าเจ้าผมทัดว่าไม่กล้าข้าไมไปเอาเนื้อมาไม่กล้าเพราะทราบเรื่องว่ามีกวงโพธิสัตว์มาอาสาตายแถนกวงแม่ทั้งคันเอาเจ้าผมนัดเลย ไม่กินเนื้อเท่าตัวนันนะประเทศตี่เี๋ไม่กินเนื้อนะ <laughs>